ตอนที่อยู่ดุสิตเนี่ยมีหลายชื่อนะบางท่านนิยมเรียกสรรดุสิตเท พ, พบุตรนะนะแต่ในคัมภีรบางแห่งก็บอกว่าเป็นเ uh, สตุเกตเท พ, พบุตรเนี่ยนะก็คือองค์เดียวกันนั่นแหละอีกอย่างหนึ่งพระารหัน์ทั้งหลายท่านกล่าวว่าดุสิตเพราะอะไรเพราะว่าพผ้ารหันเหล่านั้นยินดีพอใจชอบใจมีความดำริบริบูรณ์ว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จมาสู่ความเป็นพระคนาจารย์แห่งพผ้ารหัน์ทั้งหลาย พระพุทธเจ้านี้เป็นอาจารย์ของพระอรหันต์นะนะถ้าคนทั่วๆไปนี่ก็น่าแหมอาจารย์ธรรมดาก็ยกย่องกันมากนี่เป็นอาจารย์ของพระอรหันต์คิดดูว่าความยิ่งใหญ่ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านี่ขนาดไหนคําว่าคณีเนี่ยนะที่เรียกว่าคณอาจารย์หรือคณาจารย์เนี่ยหมายคำว่ามีคณะคณะก็คือมีคณะพระผู้มีพระภาคเจ้าชื่อว่าเป็นคณีคือมีคณะนะมีหมู่มีคณะพระอาตาว่าเป็นคณอาจารย์ คือเป็นอาจารย์ของหมู่คณะที่ใหญ่เป็นศาสดาของคณะทรงบริหารคณะทรงตรัสสอนคณะทรงพร่ำสอนคณะทรงมีความองอาจเสด็จเข้าไปสู่คณะทีนี้ในขณะเดียวกันเนี่ยคณะทั้งหลายก็ตั้งใจฟังต่อพระองค์เงี่ยโสดฟังเข้าไปตั้งจิตเพื่อความรู้คือไม่ใช่เป็นเจ้าคณะที่เรียกว่าโอ้โหลุกสิทธิ์เอื้อมระอาเบื่อหน่ายกันไม่ใช่ แต่เป็นเจ้าคณะเป็นคณาจารย์ที่หูสิทธิ์เนี่ยฝักใฝ่ต้องการตั้งจิตเพื่อจะรู้จริงๆเงียโสดนะเขาบอกว่าเวลาที่พระผู้มีพระภาคอยู่ในที่ประชุมเนี่ยถ้าภิกษุรูปใดแกะแอมขึ้นนะรูปที่เหลือจะเอาเขากระทุ่งบอกเงียบๆพระพุทธเจ้ากำลังจะแสดงธรรมอย่าเอะไป น, นะเพราะบางสูนี้กล่าวว่าถ้าพระองค์นิ่งตลอดกลับภิกษุเหล่านั้นจะต้องนิ่งตลอดกลับเหมือนกั น, นนะไม่กล้าเลยนะ นิ่งจริงๆเพราะท่านเหล่านั้นเนี่ยฝากใยเพื่อที่จะได้ยินเสียงของพระผู้มีพระภาคเจ้าเพราะว่าพระองค์เนี่ยกรรมที่พระองค์ทําด้วยความเคารพให้ผลเนี่ยนะผู้อื่นก็มีความเคารพมีความยำเกรงด้วยหรือว่าชื่อว่าคณะคณะเนี่ยนะก็เพราะพระองค์เนี่ยยังคณะให้ออกจากอากุศลให้ตั้งอยู่ในกุศลเจ้าหมูเจ้าคณะที่ดีจริงๆเนี่ยต้อง พาบริวารเนี่ยข้ามออกจากราคะโทสะโมหะข้ามพ้นจากกายทุจริตวจีทุจริตมโนทุจริจรใ ต, ใ, ร 3, ตนนนะให้ตั้งอยู่ในสุดจริตสเป็นต้นเนี่ยนะให้ตั้งอยู่ในสุดจริตสให้ตั้งอยู่ในสติประธานสี่สัมมาประธาน4อิทิบาท4จนถึงให้ตั้งอยู่ในอริย ม, มรรคอันประกอบไปด้วยองค์แคือให้ออกจากสมุทัยสัตว์ให้ดํารงอยู่ในมรรคสัตว์นั่นเองพระองค์นี้เป็นคณาจารย์ของคณะภิกษุ เป็นคณาจารย์ของคณะภิกษุณีเป็นคณาจารย์ของคณะอุบาสกเป็นคณาจารย์ของคณะอุบาสิกาเป็นคณาจารย์ของคณะพระราชาเป็นคณาจารย์ของคณะกษัตริย์เป็นคณาจารย์ของคณะพราหมเป็นคณาจารย์ของคณะแพทย์เป็นคณาจารย์ของคณะสูตรเป็นคณาจารย์ของเทวดาเป็นคณาจารย์ของคณะพรหมเนี่ยนะวันประกาศถึงว่าเป็นศาสดาในโลกสามจริงๆ พระภาษาดาเนี่ยเป็นผู้มีหมู่มีคณะเป็นพระคณาจารย์เสด็จมาเข้าไปเข้าไปพร้อมถึงพร้อมแล้วซึ่งสังกัดสานครคือพระองค์นี้เสด็จจากพบดูสิตมาสู่ความเป็นพระคณาจารย์เพราะนั้กภาษาริบุตรท่านจึงกล่าวยกย่องชมเชยว่าพระศาสดาผู้มีพระกระแสเสียงอันไพเราะเสด็จจากพบดูสิตมาสู่ความเป็นพระคณาจารย์อย่างนี้ก่อนแต่นี้ข้าพเจ้าไม่เคยเห็นทั้งไม่เคยได้ยินต่อใครๆเลย เนี่ยนะผู้มีบุญเนี่ยนะก็ได้เห็นของเราเนี่ยบุญน้อยเนี่ยนะก็รู้ว่าบุญน้อยก็เสียใจเลยร้องให้รู้ว่าบุญน้อยก็จะได้ทําบุญมากยิ่งยิ่งขึ้นไปเนี่ยนะคาถาต่อไปว่าภาษาริบุตรก็ชื่นชมพระพุทธเจ้าอีกว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้มีพระจักสุย่อมปรากฏเด่นชัดแก่โลกพร้อมทั้งเทวโลกพระองค์นี้ทรงกําจัดความมืดทั้งปวงเนี่ยนะ เป็นบุคคลเอกบรรลุแล้วซึ่งความยินดีที่บอกว่าพระองค์นี้ปรากฏชัดแก่เทวโลกเนี่ยนะว่าคือพระองค์นี้ปรากฏแก่โลกพร้อมทั้งเทวโลกมารโลกพรหมโลกแกมูสัตว์สัมณพราหมเทวดาและมนุษย์นะคําว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้มีพระจักสุย่อมปรากฏเด่นชัด นะถามว่าเด่นเด่นแค่ไหนล่ะก็คือว่าพวกเทวดาย่อมเห็นพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับแสดงธรรมอยู่ที่บรรดุกรรมลศิลาอาสนะควงไม้ปาริฉัตตะในภพดาวดึงฉันใดพวกมนุษย์ก็เห็นฉันนั้นพระพุทธเจ้านั่งเทศที่สวรรค์ชั้นดาวดึงอะ่ะมนุษย์มองเห็นเหมือนเทวดายอยู่ที่นั่นเห็นอะ่ะถ้าพี่เดเปรียบเทียบย บ, ย บ, บอกโอ้มันก็ถ้าเปรียบสมัยนี้นะก็คือเหมือนกับมีพิธีอย่างใดอย่างหนึ่งที่กรุงเทพเราก็อยู่ที่นี่ดูการถ่ายทอด เนี่ยนะทางทีวีเป็นต้นเนี่ยนะก็ไม่ต่างกันได้เห็นทั้งสีด้วยได้ฟังเสียงด้วยอ่ะนะคล้ายๆกันหรือเหมือนกับดูมวยนะถ้าสมัยนี้นะดูมวยดูการเรียกว่ามีพิธีการอย่างใดอย่างหนึ่งท่านนี้ก็เหมือนกันเนีย่ยนะซึ่งเรียกว่ามีการถ่ายทอดที่โ น, น่นคนทางชนบทแบบเราก็เห็นฉันได้เนี่ยนะถ้าหากว่าตอนที่พระองค์ประทับอยู่ที่ควงไม้ปาลิฉัตกะในสวรรค์ชั้นดาววดึงเนี่ย นะบรนทุกกรมพลศิลาอากเทวดาเห็นยังไงมนุษย์ก็เห็นอย่างนั้น่พวกมน hey. um> ุษย์ย่อมเห็นฉันใดพวกเทวดาก็ย่อมเห็นฉันนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าย่อมปรากฏแก่พวกเทวดาฉันใดก็ย่อมปรากฏแก่พวกมนุษย์ฉันนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าย่อมปรากฏแก่มนุษย์ฉันใดก็ย่อมปรากฏแก่พวกเทวดาฉันนั้นแม้ด้วยเหตุอย่างนี้ดังนี้จึงชื่อว่าพระผู้มีพระภาคเจ้ามีพระจักษุย่อมปรากฏเด่นชัด อีกอย่างห น, นึ่งเนี่ยนะพวกสมณะพราหมณ์บางพวกไม่ได้ฝึกตนก็ปรากฏเพศแห่งบุคคลผู้ฝึกตนยิ่งไม่ได้มีคุณธรรมอะไรหรอกแต่ว่าดูเหมือนกับผู้ฝึกเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะจริงอกิเลสบานเลยในใจอะ่ะแต่ว่าดูเหมือนไม่มีกิเลสเลยอะ่ะคือคําว่าฝึกเนี่ยมาจากก็มีวินัยะนะมีสังวรวินยัยปะหานะวินยัยบางคนไม่มีสังวรวินยัยไม่มีปะหานะวินยัยแต่ดูเหมือนอะ่ะ ดูเหมือนมีสังวรวินัยมีเหมือนมีปัญหาณวินัยมีได้สงบก็ปรากฏโดยเพศแห่งผู้สงบไม่ได้สงบราค่าโทสะโมหะเลยแต่ดูเหมือนอ่ะมีได้ระงับก็ปรากฏโดยเพศแห่งบุคคลระงับมีได้ดับก็ปรากฏโดยเพศแห่งบุคคลผู้ดับนะก็ดูเหมือนจริงอ่ะนะโอ้ยไปซื้ออะไรมาเหมือนทองเลยเอาไหมคุณบูญชมไม่ใช่ทองอ่ะนะโอ้ยคุณไปซื้ออะไรมาเหมือนเพชรเลยนั่นอ่ะราคาเดียวกันกับเพชรเนี่ยนะเสียใจแย่เลยนะ ไปซื้ออะไรมาเหมือนยาเลยอ่ะแสดงว่าไม่ใช่ย า, ยานะก็พันผู้ที่สมณะพราหมณ์บางพวกก็เป็นอย่างนั้นนะไม่ได้ฝึกก็เหมือนคนฝึกไม่ได้สงบก็เหมือนคนสงบไม่ได้ระงับ<ๆ>ก็เหมือนผู้ระงับม่ได้ดับก็เหมือนกับผู้ดับสมณะพราหมณ์ทั้งหลายผู้ไม่บริสุทธิ์หน้าภายในก็งามแต่ภายนอกเป็นผู้อันบริวารห้อมล้อมเที่ยวไปในโลกเหมือนหม้อน้า ทำด้วยดินหม้อดินเนี่ยนะหุ้มทองคําเหมือนหม้อดินหุ้มทองแล้วก็เหมือนเหรียญมาศกโลหะชุบทองคํำฉะนั้นคือคณะสมณพราหมณ์ที่ที่ไม่บริสุทธิ์เนี่ยนะแต่ก็มีประชาชนมีบริษัทมีบริวารห้อมล้อมเหมือนหม้อดิน ห, หุ้มทองเนี่ยนะสำนวนนะว่าง่ายงก็เหมือนหม้อเหล็กชุบทองอะ่ะ น, นะหม้อดินชุบทองเหมือนกับเหรียญทองปลอมอเหรียญชุบอ่ะนะี เป็นสมัยก่อนเนี่ยแข่งกีฬาตามชนบทเนี่ยเขาจะมีเหรียญเงินเหรียญทองเขาก็อ า, า เ, เอากระดาษเงินกระดาษทองแหละมาหอ่อหอเข้าอ่นะดูเหมือนเหรียญเงินเหมือนเหรียญเงินเหรียญทองจริงๆเลยที่ไหนได้เอากระดาษชบเนี่ยแหละมาหอ่อห่อนะดูไกลๆโอ้เจ้านี้ได้เหรียญทองไปจริงๆก็ไม่ใช่หรอกนี่ก็ลักษณะนั้นนั่นแหละเพราะผู้ที่ไม่บริสุทธิ์เนี่ยเป็นอย่างนั้นแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าไม่ปรากฏแม้อย่างนั้น ไม่เป็นดังที่กล่าวนะคือที่กล่าวไปเนี่ยเป็นของเทียมแต่พระพุทธเจ้าเป็นของแท้เพราะพระผู้มีพระภาคเจ้าเนี่ยทรงฝึกพระองค์แล้วย่อมปรากฏโดยเพศแห่งพระพุทธเจ้าผู้ฝึกแล้วทรงสงบแล้วย่อมปรากฏโดยเพศแห่งพระพุทธเจ้าผู้สงบแล้วทรงระงับแล้วย่อมปรากฏโดยเพศแห่งพระพุทธเจ้าผู้ระงับแล้วทรงดับแล้วย่อมปรากฏโดยเพศแห่งพระพุทธเจ้าผู้ดับแล้ว โดยความจริงโดยเป็นจริงโดยท่องแท้โดยความเป็นจริงไม่วิปริตโดยสภาวะก็พระผู้มีพระภาคเจ้าทั้งหลายผู้เป็นพระพุทธเจ้ามีพระอริยาบทมิได้กำเริบมีสมบูรณ์ด้วยปณิทิคือความตั้งเนี่ยนะความตั้งไม่ว่าจะเป็นทางกายทางวาจาของพระองค์เนี่ยเรียบร้อยจริงๆแม้สภาพจิตของพระองค์เนี่ยได้รับผ่านการฝึกมาหมดแล้ว เพราะฉะนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้มีจักสุย่อมปรากฏเด่นชัดเนี่ยนะก็เด่นชัดตามเป็นจริงจริงเนี่ยนะพระองค์มีคุณตามความเป็นจริงอย่างไรเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายก็รู้เห็นตามเป็นจริงอย่างนั้นอีกอย่างหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงมีพระเกียรติอันบริสุทธิ์ทรงเพียบพร้อมไปด้วยพระเกียรติยศและความสรนเสริ เป็นเช่นนี้เช่นนั้นและอ ย, อย่างยิ่งก็คือไม่ว่าในพบหน้าพบครุฑพบยักษ์พบอสูรพบคนทันพบมหาราชพบพระอินพ บ, พบพระพรหมเนี่ยนะด้วยเหตุดังนั้นกันจึงเชื่อว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าเนี่ยทรงประกอบด้วยพระสิบย่อมปรากฏประจักษ์ให้รู้ด้วยเวสารัชยานีปฏิสามพิทาสีอภิญญา 6, พุทธธรรมกเดชธรรมพระธรรมคุณธรรมวิริยปัญญา นั้นก็ปรากฏเด่นชัดตามเป็นจริงจริงเหมือนคาถาที่ว่าสัตว์บุรุษทั้งหลายย่อมปรากฏในที่ไกลเหมือนภูเขาหิมะวันฉะนั้นอสัตบุรุษทั้งหลายย่อมไม่ปรากฏในที่นั้นเหมือนลูกศรที่ยิงไปในกลางคืนฉะนั้นอสัตว์บุรุษผู้มีปัญญาทั้งหลายเนี่ยนะถึงจะอยู่ไกลขนาดไหนก็ย่อมเห็นเด่นชัดเหมือนกับภูเขาอะนะไกลขนาดไหนก็มองเห็นเด่นชัดแต่อสัตว์บุรุษอยู่ใกล้ๆก็เหมือนแบเหมือนกับเดือนมืดอะนะมองไม่เห็นเลย เหมือนการใช้งานทั้งหลายเนี่ยนิยมคนทั่วไปนิยมใช้งานคนที่มีความรู้ความสามารถใช่ไหมไอ้คนไม่มีความรู้ความสามารถนึกยังไงก็นึกไม่เห็นะนะนึกไม่ออกว่ามันจะช่วยงานเหล่านั้นได้ยังไงนี่ก็เหมือนกันเนี่ยนะผู้ที่มีคุณธรรมแม้จะอยู่ไกลขนาดไหนก็ปรากฏเด่นชัดอันนี้เรียกว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้มีจักษุย่อมปรากฏเด่นชัดขยายถึงคําว่าเด่นเนี่ยนะก็พระองค์เนี่ยเป็นผู้ที่เด่น ไม่ว่าจะเด่นชัดด้วยรูปเทวดาและมนุษย์ก็เห็นฉันใดพระองค์นี้ปรากฏเด่นโดยผู้ที่ได้รับคุณธรรมได้รับการฝึกอย่างเรียบร้อยหรือว่าพระองค์นี้เด่นด้วยพระเกียรติยศที่เขายกย่องกันว่าประกอบด้วยพระสิบมีเวสารัชยาน4ี่ปฏิสัมพิทาสีอภิญยาหผพุทธธรรมหกเดชธรรมพระธรรมคุณธรรมวิริยะและปัญญาทีนี้ต่อไปก็ พระผู้มีพระภาคผู้มีพระจักสุเนี่ยนะพระองค์เนี่ยมีพระจักสุอย่างไรความว่าพระผู้มีพระภาคเจ้ามีพระจักสุด้วยจักสุหประการเนี่ยนะมีตาห้าประการเนี่ยนะคือพระผู้มีพระภาคเจ้ามีจักสุด้วยมังสะจักสุนะข้อแรกก็ตาเนื้อมังสะจักสุสองก็มีพระจักสุแม้ด้วยทิพจักสุคือตาทิพเนี่ยนะสมีพระจักสุแม้ด้วยปัญญาจักสุนี่อย่างที่สามที่สีก็มีจักสุแม้ด้วยพุทธจักสุ ห้ามีจักสุด้วยสมันตะจักสุตาห้าประการนี้เป็นหัวข้อนะคือตามังสะจักสุทิพตะสุปัญญาจักสุพุทธจักสุสมันตะจักสุเนี่ยพระผู้มีพระภาคเจ้ามีพระจักสุแม้ด้วยมังสะจักสุเนี่ยเป็นอย่างไรคำว่ามีตาเนื้อเนี่ยนะของเราก็มีอ่ะนี่ไปต่างกันยังไงกับพระองค์ต่างยังไงก็ต่างมาดูกันว่า สีพระองค์เนี่ยที่ตาของพระองค์มีอยู่ห้าสีด้วยกันคือสีเขียวสีเหลืองสีแดงสีดําสีขาวย่อมปรากฏมีอยู่ในมังสะจักษุของพระผู้มีพระภาคเจ้าเช่นขนพระเนตรของพระผู้มีพระภาคเจ้าตั้งอยู่ในที่ใดที่นั้นมีสีเขียวเขียวสนิทหน้าชมหน้าดูเหมือนดอกผักตบต่อจากนั้นเข้าเนี่ยนะก็จะมีสีเหลืองเหลืองนวลเหมือนสีทองคําน่าดูหน้าชมทองคําก็เหมือนกับดอกกัญกาเนี่นะ ขอบเบ้าพระเนรทั้งสองของพระผู้มีพระภาคเจ้ามีสีแดงแดงงามน่าชมน่าดูนะหลายแห่งก็บอกว่าเหมือนดอกชบาเนี่ยนะตรงนี้ก็บอกว่าสีเหมือนปีกแมลงคับแต่ที่อื่นบอกว่าเหมือนดอกชบาที่ท่ามกลางพระเนธเนี่ยมีสีดำดางามไม่หมองมัวใสสดิดน่าชมน่าดูเหมือนสีสมอดำคืออิดแกไฟเนี่ยนะ ต่อจากที่นั้นก็มีสีขาวขาวงามเต่งปังขาวนวลหน้าชมหน้าดูเหมือนสีดาวประกายพรึกเรียกว่าเป็นผู้ที่มีตางามจริงๆเลยพระผู้มีพระภาคเจ้ามีพระมังสะจกสักษุนั้นเป็นปกติเนื่องในพระวรกายเกิดด้วยสุดจริตกรรมในพบก่อนบุญนี่แหละทำให้พระองค์มีตางามนะนะโดยสีกองงาม แล้วความสามารถของตาของพระองค์เนี่ยเห็นตลอดโยดเน่งโดยรอบทั้งกลางวันกลางคืนเนี่ยนะโยดเน่งก็บางท่านก็ว่าหกสิกิโลเมตรเนี่ยนะก็ออขอไปสิบหกกิโลเมตรเนี่ยเรียกว่ารัศมีสิบหกิโลเมตรโดยรอบเพั้นก็วัดจากอีกข้างหนึ่งไปอีกข้างหนึ่งก็สาบสองกิโลเมตรเนี่ยนะรัศมีสาสบสองกิโลเมตรโดยมณฑลเนี่ยพระองค์เนี่ยมองเห็นหมดอะเนี่ยนะไม่ว่าจะกลางวันหรือกลางคืนแม้กระทั่งมีความมืดประกอบไปด้วยองค์สี